ได้จิตที่มันมีกำลังถูกต้องวันนี้พอดีเลยแต่ว่าบางทีก็หายไปก็ไม่เป็นไรมันของไม่แน่นอนเดี๋ยวดีเีร้ายไปด้วยเนี่ยใจเราจะเป็นกลางนะวันนี้มันดีเราก็ไม่หลงในใจวันนี้มันไม่ดีเราก็ไม่เสียใจเป็นกลาง แต่ว่าทุกวันก็ตีต้องตามรู้ตามดูตามรู้ตาดูแล้วดีบ้างร้ายบ้างเื่อะของมันมันไหนดีดีก็ไม่เที่ยงของร้ายร้ายก็ไม่เที่ยงนะักเสมอกันใจเราเสมอนะใจเราไม่ดิน้นรนอะ่ะใจมันไม่ดิร้รนนะจนเข้าถึงความสงบสุขธรรมะจริงจริงไม่ได้ยากอะไรเลยให้รู้ทันความปรุงแต่งในจิตในใจเรารู้ไม่ทันเขาก็ดิน้น ดิ้นเขาก็ทุกข์พอรู้ทานแล้วเขาก็เลิกดิ้นเลิกทุกข์ไม่มีอะไรสุดท้ายก็เหมือนอาจารย์กำเขียนนันบอกยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรแต่มีแต่ความสุขลว้ลวนๆอยู่ถ้าดูได้แต่ดูก็ไม่เ่วยล้วสังเกตจริงๆแล้วก็มีงานนนะคือการไประวังสังเกตเีมนกัน เช่นบางช่วงภาวนาไหนมันสบายพอสบายหลายวันชักเฉื่อยหรือชักไปเพลิดเพินแล้วแต่พอรู้ถันงานเราแค่แค่พอรู้ทันนี่แหละ้น ท, ที่ไหวขึ้นเพราะเรารู้เข้าทันปนมารยาของกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมาหลอกเราแบบนี้เราก็รู้ทันหลอกอย่างนี้ก็รู้ทันนะให้สุดใจไม่ถูกหลอกก่อนที่เข้าใจคือบาจาร์แล้วมัเนเจอหน้าบอกนี้แต่ความสุขนะ มันเป็นิงๆสมัยพุทธกาลมีเล่าหนึ่งขึ้นไปไหนท่านก็บอกว่ามีความสุขจังเลยคนไปนฟ้องเลยฟองเข้าไปถึเจ้าเล่าอุ้งนี้คงจะคิดจะสึกแล้วคิดถึงความสุขตอนเป็นสารวา่าถึงเจ้าเรียกมาสอบสวนขึ้นมาเดินขึ้นไปถึะเจ้าแผ่นดินนะไม่มีความสุขเลยงานหนักทุกวันเลยแค่จะกินข้าวหรือจะนอนอยังกลัวคนแอบมาฆ้าไม่มีความสุข วันนี้มาภาวนามาอยู่ในป่าในเขานะมีแต่ความสุขที่งคงหนึงลกลงข้ามกนะันเดินบวนโอ้ทุกจึงเงินทุกติเงินท้าก็ไปฟ้องอีกสังเกตไหมสมัยพุทธกาลในคำพีจะมีลักษณะท้าที่ฟ้องเยกนะท้าไปฟ้องอีกองค์นี้คงจะสื่อแล้วคงจะเห็นว่าบวนแล้วเป็นทุกข์พระเจ้าเรียกมาถามฉันบอกว่าที่ท่านว่าทุกข์จริงๆเนี่ยท่านคิดถึงตอนที่ติตท่านยังเป็นข้อง มีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะโอตอนนี้ดีใจนะมันดูดกมาได้แล้วเั้นเวลาเราพูดถึงธรรมะนัะบางครั้งเราปฏิบัติทไปนะบางวันจิตใจเรารู้สึกเห ม, มันมีความสุขเยอะเลยรู้สึกไหมแต่คิดอีกมุมหนึ่งนะโอ้มีแต่สุกขล้วนๆปฏิบัติแล้ว เ, เห็นสุกขล้วนๆไปรู้สึกไหมอยู่ที่มุมมันนิดเดียวนะถ้าดูเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วก็โอ้สุขล้วนๆเลยเอากลับมาดู ขันทั้งหลายทุกล้วนๆเลยนั่นปลูกทั้งสองมุมเลยแล้วแต่ว่าขณนะ น, นั้นจิตจะไปมองมุมใดเราปฏิบัติเราจะรู้สึกไหน ม, มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไหมปฏิบัติแล้วมีความสุขมากขึ <c oughs> ้นเรื่อยๆแต่อีกอย่างหนึ่งบอกปฏิบัติแล้วเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนคนเดียวกันพูดนะใครคนบ้าไหม <c oughs> ตกลงมันจะสุขหรือมันจะทุกข์กันแน่ มันตุกล้วนๆเลยคือขันมันทุกล้วนๆนี่เรารู้เท่ารู้ทันใจเราไม่ปรุงแต่งแม้มันมีความสุขแต่ณตานั้นตรุงแต่งเลยนะแค่นั้นก็แต่งแล้วอาจารย์อภินยาเปลนชื่อแล้อภิน ญ, ญาอภินยาคดีนชื่อของปัญญาเป็นปัญญาอันยิง่งคนชค่ไปแปลอภิญญาว่าอิที่ปฏิหารนี่ ใจซึมเล็กนึงออกไหมอืออ e ่ะมาสิ like ี่ชาวเวียนทำชาวเวียนทำเป็นใช่ไหมชาเวียนทำดีนะหลวงพ่อชอบมากเลยเป็นกลุ่มในอุดมสติในความเห็นหลวงพ่อนะอีกลุ่มนี้มีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติแน่นแน่นเป็นที่บากนะ แน่นจยเป็นวิบากมีกิเลสตัว อ, อยากปฏิบัติมีกิเลสลงมือกระทํากรรมคือไปจ้องไว้ีิบากแน่นล้วเมื่อมันเป็นวิบากละไม่ได้ตัวแน่นนี้ไมต้องละนะให้รู้ว่ารู้สัตว่าเห็นต้องชดใช้มันเป็นวิบากอย่าไปทํากรรมให้รู้ทันใจที่มันอยากปฏิบัติต้องรู้ทันพอมันรู้ไม่ทันมันไปนกําหนด ไปจดไปจ้องไปควบคุมประคับประคอนก็หนักขึ้นมาเองใจมันจะหนีไปเที่ยวพอรู้ปุ๊บไปดึงคืนก็หนักเออรู้เท่าที่รู้ได้เออดูโทรทัศน์หรือดูอะไรจริงจัง ข้างนอกใจก็กระโจนใจกระโจนไไ ก, ก็ไปยึดไปเกาะใจก็เป็นทุกข์เกิดมี้เรามีเท้าขึ้นมนาะกระโจนเข้ไปถ้าสับว่ารู้สับว่าเห็นอยู่ก็มไม่ทุกข์แต่นี้ปัญญายังไม่แก้งสุดขีดนะถ้าปัญญาแตมแจ้งสุดขีดเห็นทุกอย่างนอย่างคนทั่วทัวไปเห็นว่ามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกข์หรอกถ้าไม่สมอยากเนี่ยทุกข์คนทั่วไปเห็นว่าความไม่สมอยากทําให้เกิดทุกข์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 อยากให้สุขถาวร อ, อยากให้คน้นทุกขถาวรเรามีความอยากขึ้นมาใจได้ยิ่งดิน้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกยิ่งทุกก็ยิ่งดิน้นไปติดกับของสังสารวัตรตรงนี้เองถ้าเรารู้ทุกข์ลุกทุกข์นะเห็นแจ่มแจ้งแนละ้วจิตใจไม่ใช่เราเหรอกเรคืนให้โรกก็ได้นะมึงจะทั่งจิตใจให้โรคได้ตัณหาไม่มีแนละ้ไม่ดิ้นะไม่ดิ้นก็ไม่ทุกข์นะแต่ตัวขันนี่เป็นตัวทุกข์ อย่านึกว่าขันของพระอรหันต์ไม่ทุกข์นะขันของพระอรหันต์ก็ทุกข์เหมือนขันของพวกเราเนี่แต่ใจที่รู้เท่ารู้ทันของทุกข์มันจะหมดการดิ้นรนใจที่มันหมดความดิ้นรนนะั้นมันมีความสงบสุขนิพพานก็คือความสงบสุขนั่นเองคือสันติสุขง่ายใจเราก็เป็นอย่างนี้แหละต้องเรียนนะต้องเรียนต้องเรียนรู้ หน้าที่ของพวกเราไม่ใช no ่ทําอะไรหน้าที่ของพวกเราคือเรียนรู้เรียนรู้ตายเรียนรู้ใจไปด้วยจนวันนึ่งเกิดความรู้ความเข้าใจตัวความรู้ความเข้าใจคือตัวปัญญาเนี่ให้เราตามเรียนรู้ตายอย่างที่เขาเป็นจนรู้ว่าธรรมดาของตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นจนเห็นว่าธรรมดาของจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นธรรมดาของเขาแหละ เห็ความเป็นธรรมดาของเขาเนะี่ยหละเห็นธรร ม, มะนะ่ะพวกเราไม่ชอบธรรมดานะชอบสิ่งที่เหลือธรรมดาเช่นอยากให้สุขสาวนสุขสาวนี้เหลือธรรมดานะก็ไม่มีอยากต้นตุ๊กสาวรไม่มีนะธรร ม, มะสาวนในสังสารวัตนี้ในธาตุในขันนี้ไม่มีธรร ม, มะสาวนนี่เราอยากสิ่งที่ไม่เป็นธรร ม, มะเราอยากได้สิ่งที่เหลือธรร ม, มะ เราปฏิบัติแค่เป็นแค่ตายจิตใจไม่เข้าถึงธรรมะสักทีหนึ่งเพ อ, อไรเพราะเราปฏิเสธธรรมะปฏิเสธความจริงปฏิบัติเนี้ยอยากให้มีความสุขถาวร อ, อยากสงบถาวร อ, อยากดีถาวรสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมะเลยเยิ่งอยากได้ของที่ไม่ใช่ธรรมะนะั้นก็ไม่ได้ธรรมะสิแต่ถ้าเราเป็นผู้เรียนมันเห็นเลธรรมดาของกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นพูดเป็นอนัตตาดูจิตดูใจ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 เราเราไม่มีทำทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับยอมรับได้แค่นี้นะได้พระโสดาบันเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปกายนี้นะเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์ภที่เนื่องมาด้วยกายนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆใจหมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงสลิน่นรสสัตวภพรวมทั้งธรรมารมที่คำหนึงถึงรูปเสียงสีิ่นรสสัตวภพด้วยเรียกว่าการมาทำ ใจเราก็คิดในกรรมาา ม, ารมาทำกรรมมาทำกรรมทางใจถ้าอนาคตาก็ละได้นะกรรมมาทำใจมันเห็นเลยร่างกายนี้ไร้สาระรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์พักที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นใจใจก็ไร้สาระไปเรืยก็ขนาดตาอย่างไร้สาระแล้วรูปจะมีสาระได้ไหมระหว่างตากับรูปเรารับตานะตายัางไร้สาระรูปก็ไร้สาระ ระหว่างหูกัเสียงเรารักหูนะหูยังไร้สาระในเสียงก็ไร้สาระมันไร้สาระนะเราก็ไม่หลงยินดียินร้ยนยนายทางตาหูจะบวกลิ้นกายหรือทางใจก็คิดถึงกรรมมาทำคิดถึงอารมณ์ต่างๆหูจะบวกลิ้นกับตรงนี้เป็นภูมิจิตของพระอนาคามีมันเห็นแจ้งทางกายมั น, ใ น, ในไร้สาระทากรรมที่เรื่องด้วยกายก็ไร้สาระ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 เ้าถึงความสุขอันนี้สุดทั้งวันทั้งคืนนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขแต่ถามว่าขันที่ยืนเดินนั่งนอนมีความสุขไหมไม่มีเลยท่านก็มาหากัสสปะเตะเล่าให้ลูกติดฟังว่าธรรมดาของพระอราหันต์นะรู้สึกในขันเนี่ยเหมือนหมาเน่าตัวนึ่งท่นเทียบจิตใจของท่านที่สะอาดหมดจดแล้วนะเหมือนคนหนุ่มคนสาวทเทียบนี้ไปอาบน้นะํามะ แต่งตัวทาแป้งใส่น้ำหอมเสร็จ แ, แล้วเอาหม า, นาเน่ากห้อยคอไปกลวนไปไหนก็ชืีย่ยวหมาเน่ากันคะือจิตใจนะั้นมันบริสุทธิ์ของแต่ขันนะ่ะเหมือนหมาเน่านะมันจะเป็นของดีของวิเศษไปไม่ได้เด็กขาดเลตัวขันนี้ไม่ใช่ขันของพระอราหันต์พิเศษนะเนีเราค่อยศึกษานะรู้เท่าทันเรียนรู้ทําตัวเป็นนักศึกษาเห็นไหมหลวงพ่อชอบพูดเพืให้พวกเราศึกษา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 เรียนรู้อะไรเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงตัวศาสนาพุทธจริงคือตัวปัญญาสัมมาทิฐิตัวความจริงหรือตัวอริยสัจนั่นเองตัวความจริงเมื่อไราใจเห็นอริยสัจเห็นแจ้งอริยสัจเห็นแจ้งในกองกุ๊กเห็นว่าขันเป็นกุ๊กเพราะฉะนั้นแหละจะเข้าถึงธรรมจิตจะวางความยึดถือกายยึดถือใจเข้าถึงนิพพานคนทุกข์ นหน้าที่คือเรียนไม่ใช่หน้าที่คือทานี่เรียนก็มีเรียนปริญัตนะแต่ขาขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดนี่เรียกว่าเรียนปริยัตไม่ต้องเรียนจากจารงานอาปัญญาแค่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเรียกว่าเรียนปริยัตถ้าเรียนปฏิบัติทำยังไงดูของจริงที่กําลังเกิดขึ้นมานี่เรียนปฏิบัติแล้วถึงวันหนึ่งก็มีปฏิเวทวันนี้มีกรรมการชื่อปฏิเวทชื่อดี พวกเราไม่เรียนปริยัติได้ไหมไม่ได้นะอย่างน้อยต้องฟังครูบาอาจารย์หรือสมัยพุทธกาลก็ไปฟังพระพุทธเจา้าประโยคสองประโย ค, โยคนี่ก็คือปริยัติไม่ต้องจบปริเชตเก้านะไม่ต้องเรียนจบถึงธรรมะวิปัสสนาถึต้องไล่ได้มาหาปัตฐานก่าตั้งขนาดนะั้นเราเรียนปริยัติเรียนพอให้รู้แนวรู้พิธีปฏิบัติ มีหลวงพ่อย่อลงมาให้เลยนะข้อสรึกมาจากทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติจุดตั้งต้นของการปฏิบัติธรรมของเรานะให้หักสังเกตสภาวะไปเมื่อใดจิตจําสภาวะได้แม่น ย, ยํารืำมีทีละสัญญาจิตจําสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองเมือสติตัวแท้ตัวจริงเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ยิริโอตะปาสีสมาธิปัญญาวิมุตติจะตามมาเป็นแถวนึ่ ดังจุดตั้งต้นจริงๆคือสังเกตสภาวะไปอย่างคนเรียนเยอะจยนัาตาแต่ก่อนเรียนมากอาจารย์สัเกตชื่อละพก็เรียกชื่อเดิมด้วยนะรู้จักนา <c oughs> นอาจารยปัญญาเรียนเยอะแต่ไม่ได้ดูตัวสภาวะแฉๆ แ, แต่พอมาดูตัวสภาวะนะมันสอดคล้องกับที่เรียนนะ <c oughs> เวลาเห็นรู้เห็นสภาวะเข้าใจง่ายเข้าใจได้เร็ว ถ้าเราไม่รู้เลยไม่ได้เรียนมานะเสียงลูกพ่อเรียนแบบหมวยวัดครูบาอาจารย์สอนบอกให้ดูจิตดูรูปเดียวเลยรูปลมๆนะเห็นสภาวะแต่พูดไม่เป็นบอกไม่ถูกหรอเรียกชื่อไม่ถูกเราก็เรียกทรงเดชไปตามใจชอบนะ<ม>นั่งปฏิบัติเวลาคุยกันเนยถ้าเข้าถึงธรรมแล้วไม่ทะเลาะ ก, กันแต่ถ้ายังไม่ถึงธรรมเลยตีกันพวกรูปติดกับรูปติดเลยชอบตีกันหาว่าสำนักเราถูกสำนักน้นจิต อะไรก็พูดไม่เหมือนกันเลยพูดกัไม่รู้เรื่องเรารู้ปริยัตเรารู้สมมติปัญญะนีเราเห็นสภาวะแล้วเราเรียนปริยันะติแล้วมันก็ปัญญะที้ถูกต้องตามมาตรถานเท่านั้นมันก็เป็นภาษากลางภาษากลางไม่ใชเราภาษาไทยไปพูดกับภาษาจีนโดยคนไทยคนจีนถ้าพูดภาษาอังกฤษร่รวมกนมันก็ไปกันได้ภาษาในปริยัตก็เหมือนภาษากลางอย่าไปเกลียดมันนะมันเป็นเกลียด พิเกรติและพิธรรมพิเกียรติและพิธรรมนี่ก็ได้เห็นใจนะพวกเกรียนติและพิธรรมทําตัวแปลกๆอย่างเวลาเมื่อก่อนหนูก็เขียนอยู่ในอินเทอร์เนต็ตมันดีคือดีจะมีนักพิธรรมเข้ามานะไม่พูดตามําเพลงเนาดยดาๆๆแล้วหนีไปเลยพวกนี้พวกปฏิบัติลูกเดียวปริปยัติไม่เป็นฟังแล้งงไอ้มันด่าเราทำไมมะไม่ทําะ <c oughs> ทอะไรไม่ดีมันดา่าผม มิสุพ่อก็สงสัยนะพวกกพิธามเขาเรียนไปนะสสไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งได้คํามาคู่เดียวบัญญัติกับปรมัตดอ๋อไอตัวที่เราเห็นนี่มันก็ปรมัดนั่นแหละแต่เราพูดไม่เป็นเราจับคํานี้ได้คําเดียวเนะือตัวอื่นกจะจายออกมาเลยนะง่ายไม่ยากนะ่ <c oughs> ทําม <c oughs> อย่างวิถีจิตวิ ท, ทยาเตือนเรามันเห็นอยู่แล้วอาจารยนัตตาอาจารย์กิจายเห็นไหม เห็นวิถีจิตได้ครบไหมถ้าตึกไปได้เจะเห็นเรื่องใจอยู่ในระวังแต่ว่าระวังนี่เราจะเห็นได้ตอนเราออกจากระวังแล้วนะจะเห็นด้วยชมานะจิตที่เกิดทีหลังอย่างเวลามีอะไรมากระทบจะกทบความรู้สึกไม่รู้ว่ากระทบอะไรนะยังไม่รู้เลยกระทบทวารใดมีอะไรอย่างเราหลับลึกๆอยู่คล้ายๆเทียบๆนะเวลาเราหลับลึกๆอยู่มีอะไรมากระทบทางทวารใดก็ไม่รู้ใจมันไหวอยู่ตัวกึไม่ร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 หร้อจะเกิดกุศลดีจะเกิสดสุขหรือเกิดทุกข์ดีมันจะตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้เลยจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลแต่แล้วจิตจะขึ้นมาเสพอารมณ์นะจะ อ, อยู่ช่วงแล้วก็จะค่อยๆเหยี่ยวเลยซึมๆเลยซึมๆเล็กนึนงนะแล้วก็ลงพังดับตัวเองขึ้นมีจิตอันใหม่ถ้าเราหัดภาวนาไปเราคอยรู้คอดูนไปเรียนนี้ไม่ยาก นี่แต่เราเรียกชื่อไม่เป็นหรอกเรียกไม่เป็นหรอกว่านี่เรียกปฏิสำปฏิฉันนะเรียกสันตีระนะนไม่รู้เป็นแต่เราดูจากของจรนะิงๆนั้นธรรมะนะฟังหลวงพ่อนิดๆหน่อยๆก็พอละฟังพอให้รู้วิธีที่จะดูสภาวะวิธีหันดูสภาวะง่ายๆเลยนะก็คือหากรรมฐานมาอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ใครจะใช้พุโทโธก็ได้ใครจะใช้ลมหายใจก็ได้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 นี่อารมณ์อนุปนิจฌานได้แต่สมถะไม่ใช่การรู้ลักษณะของอารมณ์นี้เราก็หาอารมณ์กรรมฐานมาอันหนึ่งนะแล้วหัดสังเกตสภาวะไปเช่นพุโทโธก็ได้พุโทโธพุธโทโผพุโทโธลไปใจแอบไปคิดละรู้ทันว่าใจไปคิดพุโทโธแล้วใจฟุ้งต้านหรือว่าฟุ้งต้านใจสงบหรือว่าสงบพุโทโธแล้วใจนิ่งนิ่งหรือว่านิ่งนิ่งซึมซึมหรือว่าซึมซึพุโทโธเราหันรู้สภาวะไป หายใจเข้าหายใจออกไปก็ได้หายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตก็เป็นแนบเพ่งกับลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุกเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ดูท้องฟองยุบก็ได้แล้วก็หัดรู้สภาวะไปดูท้องฟองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีวิคิดก็รู้จิตเป็นสุกเป็นทุกข์เป็นกุศลต่างๆนานาก็ไปรูว่าเนี่ยหัดรู้สภาวะนะเนี่ยจุดตั้งต้นเลยนะจุดตั้งต้นเลยหัดรู้สภาวะอย่างเนี้ย ทุกวันต้องหัดรู้ไปเรื่อยๆแต่ย่าไปเพ่งใส่มันนะให้หัดรู้สภาวะไปยกเว้นวันไหนจิตใจฟุ้งซ่านมากนะก็ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ต้องทําทุกวันนะแต่ว่าทําความสงบอันนี้พุโทโธพุธโทโธเพื่อให้ใจสงบหายใจเพื่อให้ใจสงบดูท้องฟังยุบให้ใจสงบพอใจก็เป็นแนบแนบสบายสบายแนบเบาเบาเดี๋ยวก็สงบนี่พอสงบแล้วก็ออกมาหัดรู้สภาวะต่อ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 หรือเห็นหน้าเพื่อนเราแหมมันดีใจขึ้นมามันเห็นในความดีใจขึ้นเห็นเองนี่สติพอมันเกิเดเองแล้วจิตใจมันจะตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนะที่เป็นแค่คนดูเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าสติจงใจให้เกิดใ้จิจะเข้าไปแนบอยู่กับอารมณ์ใช้ไม่ได้พอสติเกิดเองหรือใจมันจะตั้งมั่นเป็นคนดูที่มันมีสามมา ส, สมาธินะ้น ท, ทันทีที่สติเกิดจิตก็มีความตกแล้ว ถ้จิตมันเป็นกุศลมันมีความสุขหรืออย่างีอย่า ง, างต่ำก็เป็นกุเบกขากุเบขาแบบลุ่มนวลก็ถือว่าเป็นความสุขด้วยฉันั้นทันทีที่มีสติมีความสุขทันทีที่มีความสุขจิตจะตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นเพราะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแต่อย่าตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูสติประลึกรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏตั้งรูปธรรมนามธรรมจิตตั้งมั่น ปัญญาก็เข้าใจปัญญาจะเป็นตัวเข้าใจอ๋อสภาวะทั้งหลายเกิดเราดับนี่เรียกว่าปัญญานะี่หัดรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปสักพักหนึ่งบางคนจะเกิดเบือ่อโอ้ความสุข ก, ก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราว น, า น, น่าเบือ่อกุจผลก็น่าเบือ่อน่อาบุดุลก็น่าเบื่อเมื่อแต่ของเกินระดับนี่ถ้าเบือ่อต่อสังขารเบือ่อทั้งสุขและทุกข์เบื่อทนะั้งดีและชั่วเสมอไปเรียกว่าจิตมันมีปัญญาอีกขั้นนึ่ง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 สุขุภัยทั้งหลายเคยจีบสาวมีความสุขสนุกสนานเฉยๆไร้สาระเป็นหมดโลกเลยนะโลกนี้จืดมันคนรู้สึกอย่างนี้นะที่หลวงพ่อไม่ได้พูดศัพท์นะอาตีนาวายานปยาตูปัฏฐานนยานนิพพิทายานอะไรนี่ไม่ได้พูดภาษาที่เกินมนุษย <c oughs> ์เกินมนุษย์คนไทยนะ <c oughs> แต่ว่าจิตใจมันจะเข้าไปถึงสภาวะอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเข้าทุกวันนะ ในโสโรดยานนั้นมาเขียนรุ้นหลังเนี่ยพาดเคลื่อนจากพระใจปีตกแท้จริงแล้วท่าอนอธิบายเลยว่าดิจิาณลสามตัวกลุ่มเนี้ยมันเหมือนกันด้วยอัคต์ต่างกันด้วยพยัญชนะนะนี่รุนหลังมากระจายให้มันเยอะๆได้ดูโกโกโ้ดิจิทัในโสโรดยานี่จริงๆเป็นกลุ่มๆนะกลุ่มๆนี่บางคนก็เบือ่อคนเห็นไร้สาระบางคนเห็นหน่ากลัวก็รู้ทันอีก ความรู้สึกเบื่อความรู้สึกไร้สาระความรู้สึกน่กากลัวเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกแล้วนะรู้เข้าไปอีกใจสุดใจจะตั้งมั่นขึ้นอะไรเกิดขึ้นนะใจจะรู้อย่างเป็นกลางนะความตกมาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินดีแล้ความตุกมาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินตาเป็นกลางใจที่เป็นกลางใจมันไม่ดิน้นเอมันไม่ดิ้นมากเข้ามาเข้าเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะ บ่อยด้วยใจที่เป็นกลางไม่ได้นรนที่จะสแสวงหายึดถือหรือต่อต้อตานตักใส่ไม่มีใจมันจะค่อยๆคล้อยตามความจริงใจที่มันคล้อยตามความจริงแล้วมันมีสัจจานิโรธอีกอย่างจริงตรงนี้จะเกิดในอัปปนาจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเข้าเองนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราที่ปฏิบัติไปคือปฏิบัติไปจนถึงจุดที่จิตเป็นกลางกับสภาวะธรรมทั้งปวง เป็นกลางด้วยปัญญานะไม่ใช่เป็นการด้วยกลางด้วยการพิ้งคือไปเยนใจเป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเินใจเป็นกลางจริงๆเคยมีคนหนึ่งนะแหกหัดดูจิตของแกอยู่อย่างนี้ดูอย่างที่พวกเราหาดัดดูดูอยู่เจ็ดเดือนดูจนกระทั่งจิตมันชำนิชำ น, นาญที่จะดูได้เองวันหนึ่งเปียกฝนฝนตกใจกังวลกลัวจะเป็นบาดใจกังวลกลัวเป็นบาดถ้าเป็นสมัยแรกๆที่หัดจะไปดูเพื่อให้หายกังวล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 ก่อนจะรู้ไม่ได้อยากจะรู้มันรารึขึ้นเองระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้สักว่ารู้อยู่รู้แล้วไม่แทรกแต่งเลยไม่ใช่กังวลก็อยากให้หายกังวลมีปุสนก็อยากรักษามันเป็นกลางทังสามสเต็ปเลยกลางอย่างแท้จริงจริงมันหนึ่งในหนึ่งขนาดจิตนะในแว บ, บเดียวแต่ถ้าพูดอย่างอภิธรรมก็ต้องหลายขณะหน่ แตะเกิดขณะแต่ละจิตจะรวมเข้า อ, อัปนาสมาธินะรวมเองไม่ต้องรวมไม่ต้องไปช่วยมันรวมรวมเองนะเสร็จแลกก้วจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับสองขณะแล้วบางคนเห็นสามบางคนเห็นสองสองขณะวับวักถามว่าอะไรเกิดดับสภาวะธรรมเกิดดับตอบมากกว่านั้นไม่ได้เพราะไม่มีการสมมติบรรยัติอีกต่อไปแล้วเห็นแต่ว่าสภาวะธรรมเกิดดับ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 จะควรกระแสก็าหาธาตุนู้นตรงนี้ครึ่งๆกลางๆเขาเรียกว่าโครตรละปูอย่างเอาแค่นี้ก็แล้วกันเหลือจะไปปลุมต่อบังคับนายลงหน่อ ย, อย่างบังคับนะบังคับคุณพราดา ยังไม่ใช่สักขิทาคานะยังไม่ใช่นะยังใช้ใจผิดนะใช่หลวงพ่อบอกได้ตรงๆเพราว่าคุณธระดานี่ยเป็นคนขี้แข็งถ้าบางคนยังไม่ใช่นะ่โอ้กว่าจะบอกได้นะเป็นเดือนหรือคือค่อยๆประทองกระทองนะใจไม่ถึงถ้าคนใจถึงแล้วก็ไม่เียเวลานาะมีบางคนใจไม่ถึง พัของกันตั้งนานเนีย่ยพูดป่านนี้ยังแก้ไม่จบกั็มีคือถ้าบอกว่าไม่ใช่นะล้มคว่ำไปเลยจะตีแตกจะเสียใจนะไม่ใช่ว่าสภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นนะเราให้หัดรู่าดูเรื่อยๆไปเดี๋ยวใจมันจะค่อยวางไปวางไปมนปันเป็นเองขอโวษตอนนี้ความรู้สึกเลื่อนค่อนข้างเยอะ ได้ไดนะ้จนะิตนี้จะเดินเป็นช่วงๆนะบางช่วงเอะออกพิจารณาเยอะคนฟ้าพิมาบานช่วงก็สงบทักผ่อนแต่ว่าเราต้องเหมือนเราหัดขับรถยุ่ช่วงนี้จะต้องเหยียบกันเร่งช่วงนี้จะเหยียบเด็ด มันเป็นศิละปะนะถ้าจิตใจของเราค้นคว้ามากเลยจนหมุนติ้วๆนะอั น, นี้ต้องทำความสงบน้อมเข้าหาความสงบน้อมออ <c oughs> กคึอกลับไปทำสมาธิพักผ่อนคราวนี้พอสภาวะธรรมไหลมาเนึกๆเสร็แล้วก็กอกมาตามรู้ต่อแต่ถ้าเรากระโดดเข้าไปรู้เรื่อยๆค้นคว้ามากจะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆจะหมุนจี๋ๆขึ้นมาพอดูไม่ทันเดี๋ยวสับสน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 ใจเราเหมือนก็ดูอะไรไม่ออกเหมือนทาอะไรไม่เป็นควรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นก็รู้ว่าเหมือนรู้สึกอย่างนี้แหละแล้วรู้สะาวะลไปเลยเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงให้ดูอีกวลาดาจิตหนีไปแล้วทราไหมไหลไปคิดนะุที่องอก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 มีหน้าที่ศึกษาธรรมะแบบคารวาเด้วยอย่าปล่อยธรรมะให้เป็นหน้าที่ของพระขั้งเดียวไม่ได้นะาศาสนาพุทธสูญไปจากอินเดียก็เพราเรื่องนี้แหละยกธรรมะให้พระดูแลรักษาพอพระตุกปรับไปหม ด, ด้วยาศาสนาหายไปเลยนั้นทุกคนต้องเรียนธรรมะนะแล้วก็มีหน้าที่ใช้ชีวิตของเราเนี่ยยังมีธรรมะสอดคล้องกับธรรมะ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 อย่างก่อนจะทํำสัตยายแขกกล้าไปขายบ้านมาบริจาคสร้างเจดีสมมุตินะกลับบ้านสามีเตะจิตใจเศร้าหมองกุศลนนี้กับพ่องกับแก้งแล้วกุศลเองนี้ใช้ไม่ได้นะเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนๆมันจะไม่เกิดจิต ท, ที่เป็นมหากุศลเป็นกุศลที่อ่อนๆถ้าตายแล้วไปเกิดด้วยกุศลชนิดนี้ห น, น, น, น้าสงสารนะมันได้เป็นคนที่การ หรือเป็นเจวดาพิการพิการเจวดาพิการก็มีนะเจวดาชั้นล่างล่างหรือวัตถุทานที่เราอยากไปทําเนี่ยบริสุทธิ์ไหมน้ำพักล้ำแรงไหมทําแล้วประกอบด้วยปัญญาไหมเรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรเถ่าเราทําเพื่อจะลดล่างกิเลสในใจเราจะได้บุญเยอะนะประกอบด้วยปัญญาทําเพื่อหวังว่าจะเฮงเฮงไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้ได้บุญน้อย คนที่รักเป็นคนดีหรือคนเลวแค่ไหนแม้เงืยย่อนไขเยอะแยะนะเน่สิ่งนี้เราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนั้นเราเป็นกราวาสเยอสนใจธรรมะก็โดดหลอกได้นะหลอกให้สักบุญให้หมดตัวไปเลยแล้วจะได้มีบุญมากๆอันนั้นเป็นบุญประกอบด้วยวิชาที่ผิดได้บุญนิดเดียว เนี่ยตอนนี้มันยังติดการเพ่งอยม่กระแวะแข็งแข็งเพ อ, อะไรถึงเพ่งทราบไหมเพาเราอยากปฏิบัติถ้าใจถึงถึงนะเชื่อหลวงพ่อนะลืมความว่าปฏิบัติสุดคำนี้เหมือนผีที่หลอกพวกเราให้ไปติดการเพ่งติดการกําหนดต่อไปนี้ไม่ต้องปฏิบัตินะแต่ว่าทุกวันไหวพราตรวจมนลทำสมาธิเดินจงกรม แต่การทำสมาธิในจูงกลมเนี่ยทำเพื่อหัดสังเกตสภาวะเองที่หลวงพ่อบอกไปเยอะเช่นหัดพุดโทโภไปใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นยังไงก็งไงไรู้หัดอย่างเนี้ยขยับมืออย่างหลวงาพ่อเตือนจะได้ขยับแล้วใจเข้าไปเพ่งในมือก็รู้ทันใจหนีไปก็รู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยๆนะไม่สนใจว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่ต้องใจเด็ด ๆ, ๆอย่างนี้นะไม่ต้องสนใจว่าเมื่อไหร่สติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะได้ปฏิบัติไม่สนใจเลย หาทุกสภาวะไปลูกเดียวเยแล้วสติเกิดเองสติเกิดเองนะปฏิบัติได้ทั้งวันทำได้ทั้งวันเลยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะมีความสุขถ้าตั้งใจมากมันเครียดตอนนี้มันแข็งไปดูออกใช่ไหมดีละวมาเรียนตีบครั้งดูได้ขนาดนี้ม เลวงพ่อจำไม่ได้นานๆมาทีมนอะ่รยังไม่เริ่มเพ่งนะแต่สังเกตได้จิตมันสว่างกว่าคาก่อนควก็่าเนอย่างนีอย่ียนี้สัมัสวรู้สึกตัวตัวตัวรู้สึกังเล่นได้ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตมันหลุดออกจากโลกของความคิดม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัว ถ้าเมรเราดูตัวอย่างโลกของความคิดแล้วกายนี้ใจนี้จะไม่ใช่เราเพราะจริงๆความเป็นเราไม่มีนะควาเป็นเราเกิดจากความคิดเท่านั้นท่านถึงเรียกสักกายะทิฏฐิมันเป็นแค่ทิฏฐิเป็นแค่ความคิดความเห็นไม่ใช่ของจริงแล้วเร า, าเเเก็หันดูไปดเสังเเกตไหมใจเราเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็รู้สึกสลับไปสลับมารู้สึกไหมเราเลือกไม่ได้ยังจิตยังเพ่ง เราไม่ได้จงใจมันเพ่งเองรู้สึกไหมนั่นแหละมันกำลังสอนธรร ม, มะเราแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราต้โอ้เพ่งเองแล้วเมื่อไหร่จะเลิกนี่เราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจนะโอ้นี่มันแสดงธรรมะให้ดูมันไปเพ่งให้ดูเราไม่ได้จะเพ่งนะ้ํามันเพ่งผมมันเองหรือมันเต๋อไปโอ้ดีนะ้ํามันแสดงธรรมะให้ดูมันเต๋อให้ดูเราไม่ได้จงใจจะเต๋อนะมันเผ๋อเองการที่เห็นว่ามันทําได้เอง เราไปจะเห็นอนัตตานะแต่ไม่ใช่เห็นอาจารย์อนัตตานะเราจะเข้าใจเลยโอ้จิตมันเป็นอนัตตามันทำงานได้อีกรู้สึกไหมจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดนิ่งเลยรู้สึกไหมนั่นแหละเห็นอนิจจังแ่ะเคื่อไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยเห็นอนิจจังเห็นไหมมันทํางานได้อีนั่นเห็นอนัตตานะ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 เร้่องธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ทำไมใจิตใจเราไม่รับธรรมะเข้ามาเพราเราชอบอะไรที่ไม่เป็นธรรมะเช่นอยากบังคับให้ได้นึกออกไหมแล้วทำไงมันจะเลิกเพง่งแม้คิดจะทำคิดจะบังคับให้ได้บังคับให้เลิกเพง่งได้หรือทำยังไงจะไม่เผลอคิดจะทำนะถ้าทำได้จะเป็นอัตตานะไม่ใช่อนัตตาอนัตตาทาไม่ได้หรอก ทำรู้เพ่อะไรนะก็ทำ่ที่เขาบอกว่าให้รู้ที่นะคือรเพ่ย่งนี่ยไม่หายไม่หายเพราะเพ่งเนี่ยไม่ใช่อคูศนซึ่งมันเป็นการควบคุมกายควบคุมใจตัวเองเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอคศสนมันไม่เหมือนเผลอนะทันทีที่รู้ว่าเผลอเนี่ยจะไม่เผลอทันทีเพราะเผลอเป็นอคูสนพอสติเกิดแล้วอคูสนดับแต่เพ่งเนี่ยนะมีสติอยู่นี้แหละเพ่งไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีปัญญา ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นนะเออจิตมันจะเพ่งก็เพ่งของมันเองเนาะเหน็นอย่างนี้นะใจวางเลยใจที่จะหลุดออกมาไปดูเรื่อยๆจนมันเกิดปัญญาปัญญาก็คือการที่ใจมันเข้าใจความจริงจิตจะเพ่งห้ามมันไม่ได้จิตนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวเป็นตกเพ่ ง, ง, พงมาคับมันไม่ได้ปัญญาอยู่ตรงนี้นะออส่งตอบไป พวกข้างหน้านี่ใจคอไม่ดีกลัวไม่ได้ถามมาทีหลังเ้านิดเนาะมันมาแต่งควก็แหมแอมานั่งหน้าน ะ, ะนี่มาก่อนแล้วอ้าวแล้วหลวงพ่อเอาคิวใหม่มาเขามาก่อนออ้าวอ้าวอ้าวี้าวอ้าอ้วอ้า่อ้าวอ้าวอ้าวอาวอ้วอ้าวอวอ้าอ้าวอ้อ้อ้าวอ้าอ้อาวอ มีงานที่เหมือนกับเาดูกาเดินไปดูขี้เกียจอีกขี้เกียจก็ดูเขี้เกียจเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจก็เป็นธรรมะเหนื่อยๆก็เป็นธรรมะขี้เกียจก็เป็นธรรมะดูไปด้วยอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยนะรู้ไปเมื่อกี้ถามอะไรนะต้นเล่าอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเหนได้ฟังอยางนึงที่อย่าารเออสจีลภาระ เราเรียนจนหมดภาระนะสุดท้ายเราหมดภาระยังเราปฏิบัติไปภาระน้อยลงน้อยลงน่ะสมบูรณมากเน้ามีทุกทะดูแคลนาแันจะท้า่จะตัวแบบแต่ครั้งที่สองเป็นในกษที่ตนเต้นใเรอที่รู้ตัวไได้ร้ตัวตื่นเต้นแต่คั้งที่สองที่รู้ ก็แค่แวะเหียก็อย่าอยากไม่จมนะจิตมันเคยจมมันก็จะจมจิตเคยชินยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นย่าเบอร์20กับุกตัดสิมิหน้าล่ะนั่นสัวงไม่ตึดหลาวสักทีอ่ะางทีบาีนคมันอเรือไ จิตนะจิตโดยธรรมชาติของมันนะพอมันรู้ว่าอารมณ์ไดช่วงหนึ่งเนี่มันจะเลือนไปแล้วเลือนไปแล้วก็หายแล้ง ๆ, ๆไปช่วงหนึ่งหรือก็ขึ้นมาใหม่มารู้ชัดแนละ้วแล้วก็เบลือเบือแล้วก็หายไปมีช่วงว่างๆแล้งๆขั้นอันเห็นอย่างนันก็ดีนะสันตตีไม้ขาดคือเราแต่ละคนเราจะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่หนึ่งคนเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังเราคนเดิมเราจะเห็นว่าจิตเที่ยง แต่การที่เรามาหาัดภาวนาโยสติเกิดขึ้นมาเห็นจิตมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เบลอๆไปแย้งหายขาดแวบบว่างๆไปนิดนึงนะไม่มีอะไรก็ขึ้นมารับอารมณ์เราจะรู้เลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตไม่ใช่ดวงเดิมหรอกเราเริ่มล่างความเห็นจิตว่าจิตมีดวงเดียวได้ทีนี้สําคัญนะพวกเราทั้งโลกเลยจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวจิตของเราเดี๋ยวนี้ก็จิตของเราตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิม รู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งคุณผู้หญิงที่มากันเด็กันในนี้มีเราคนนึงเราเดี๋ยวนี้ก็เรากันเด็กก็เราคนเก่าก็เรายังไม่เห็นความตึกเนื่องนี้ขาดลงแต่ถ้าเราหัดเจชิญสติมากเข้ามากเข้าอะไรจะเห็นจิตที่เกิดขึ้นมานะรับอารมณ์ได้ชัดระดับลงไปเกิดขึ้นมารับอารมณ์ได้ชัดระดับลงไปมีช่องว่างเล็กๆ เ, เหมือนขัน้นตรงนั้นเรียกว่ารวังจิตมันตกรวังเป็นระยะระยะระยะ แต่ถ้าเราเห็นหนึ่งนี้ต่อไปเราจะรู้จิตไม่ได้มีดวงเดียวกับจิตไม่ใช่เป็นสิ่งริงแพ้ถาวรเป็นสิ่งที่เกิดดับสึกเนื่องกินไปเรื่อยๆถ้าจะละความเห็นจิตว่าจิตเป็นตัวเป็นตนถาวรได้ถ้าใครละตรงนี้ได้ได้โสดาบันนะเป็นเท้ารู้เรื่อยๆไปทไงหยิบจิตตอนนี้จิตฟูต้านหรกออ่ะไหม จิตคุ้มาหรือว่าคง้มตาคุ้ใช้ได้แล้วอย่าไปปังคับมันอหลวงพ่อชิดคนเ็กจิตคก้มต้านี่รีบหัดเลยนี่รู้แต่กี้ถูกต้องแล้วคิดในวันรู้ถูกต้องแล้วไม่ใช่บัวหลวงพ่อนะมีอ่านเอาไว้ได้รู้ทานะลคิดงั้นฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องไม่มีปัญหาฟังหลวงพ่อแล้วเราเห็นแล้เดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดอย่างนี้ดีที่สุดเลย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 อาวุธไหนๆก็มาแล้วที่มีผลปะยได้ <c oughs> ที่อย่ใจเราจะไม่อทรือิดที้อกอืมเราเรียกว่าพิลัตซัพเฟอร์ผู้รักในความรู้ั่นเป็นพวกนักปรัชญาเป็นผู้รักในความรู้ <c oughs> เป็นพวก s ตเซติส <c oughs> ไหรู้ทันมันนะอย่าไปหลงคนนะตัวความรู้ไม่ใช่สิ่งพุทธคิดถึงมันหรอกตัวความรู้แท้ๆในศาสนาพุทธคือการที่เห็นว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นขันเะนเป็นไตรลักษณ์ความรู้จริงๆมีเท่านี้นนหลส่วนการแตกฉานรู้อะไรเยอะแยนนะเลยเอาไว้คุยเล่นเกินความจาเป็น แต่ถ้าเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปความรู้แค่นี้พอแล้วเนความรู้ที่ต้องการนิดเดียวแค่นี้นะแต่บางคนอยากได้ความรู้เท่าําปั้นจริงต้องการแค่ปลายนิ้วก้อยหรือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป <c oughs> เราห้ามมันไม่ได้อย่างบางคนอยากไปพุทธภูมินะมันต้องเรียนเยอะๆ เ, อเรียนเยอะ หรือเราห่วงคนอื่นอยากรู้เยอะๆจะได้เอาไปถ่ายทอดไปสอนต่อเป็จริยนิส่คนห้ามไม่ได้หรอกก็นานหน่อยอะไรนะ <c oughs> ต้องคนต้องคนนะศึกษาธรรมะเนี่ยนอกใจกฟังให้รู้เรื่องรู้หลักแล้วก็ที่เหลือต้องอดทนเราจะต้องทำสิ่งที่ซ้ำซากให้ได้เนื่องจากไอ สาวโรงงานทอผ้านะทํางานซ้ำซากทุกวั น, ท, วนทุกวันเหมือนเดิมคนโบราณบอกว่าอยากทําได้ถามหญิงต่าบุกหญิงตําบุกคือผู้หญิงผอผ้าอยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควายไม่ถามปรมาจารย์นะไม่ไปถามเด็กเลี้ยงควายผู้หญิงต่าหราาาาืผู้หญิงผอผ้ผอาก็ดูอยู่เฉพาะหน้ารู้โลกปัจจุบันทีลัะขณะทีลนนักษณะเนี้ยกําลังเติมได้ลงไปวันเส้ทีละเส้นทีละเส้นเห็เนอยู่แค่นี้รู้อยู่เฉพาะหน้า เป็นงานทำกรรมฐานได้รู้เฉพาะหน้าไปเรืลอยรู้ไปทั้งชีวิตเลยตั้งใจไว้แค่เนี้ยยังมีชีวิตยอยู่มีลมหายใจอยู่ก็รู้มันไปอยู่เฉพาะหน้านี้แหละส่วนจะได้มากได้ผลกรอดคอผ้าเสร็จเม่อไหร่ก็แล้วแต่มันเถอะมีหน้าที่ถอดผ้ามันทีละเส้นนี้แหละอยากทำถูกก็ถามเด็กเลี้ยงควายไปถามเด็กเลี้ยงควายว่าทำไงจะปฏิบัติถูกแต่ว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่เป็นหรอกนั่นแหละทำไม่ได้นั่นแหละธรรม่ะ จะทําทได้ตามใจชอบไม่ใช่ธรรมะนะแล้วไงอีก <c oughs> มันจะต้องทําไปเรื่อยๆเจนวันหนึ่งมันยอมรับความจริงก็มันทําไม่ได้หรอกแต่ในใจของเราแนละ้วมันคิดจะทําให้ได้ทุกคนอนะ่ะมันอยากทําให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องดิ้นไปเรื่อยนะจนจยต้องชนมุมหนึ่งหมดสติปัญญานะทํายังไงก็ไม่ได้หลังชนกาแพงแล้วก็ถูก กิเลสถลุงเราข้างเดียวถูกความทุกข์ถลุงเราข้างเดียวนั่นแหละถึงจะถึงธรรมะนะประเภทงอมืองอเท้าแล้วเขาว่าทําอะไรไม่ได้ความทุกข์มาเผชิญอยู่เต็มหน้าอย่างนี้นทําอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนที่เขาสร้างบุคลาพิสิานขึ้นมาเจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่ ใ, ใต้ต้นโพธิ์มารมาเป็นกองทัพเลยคือในขนาดที่จะแตกหักนี้นะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดเลย ในนาตีที่จะแตกหักเนยตัวคนเดียวแท้แทๆเลยไม่มีใครช่วยเหลือเลยนะสติปัญญางัดออกมาต่อสู้สู้จนสุดสติปัญญาเลยนะก็ไม่ชนะนะถึงจุดนั้นต้องยอมตายเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นั่งถิ่งในขนาดจิตนั้นต้องไม่ถอยจะแตกดับจะเป็นบ้าจะตา ย, ตายก็สู้ตายคาที่ตรงนั้นเลยครูบาอาจารย์ถึงบอกนิพพานอยุดภาคตาย ไม่ใช่พูดเล่นเดเล่นบอกว่าเราทะรนู้นอย่าเจุดนี้ <c oughs> รา <c oughs> รก <c oughs> เรารู้ความผุกพันทั้งหลายเป็นโลผ้าก็จริงนะนี่บางคนบอกว่าสมุทรไทยเป็ตันหาให้รักโดยโลผ้ามีสองหมวกหมวกหนึ่งอยู่ในก่องปุ๊กให้รู้ หมวดหนึ่งในฐ า, า, านะปัญหาให้ละเพราะฉะนั้นอย่างจิตมีความห่วงใหญ่เกิดขึ้นให้รู้ทันจิตอยากจะละความโวงใหญ่เนี่ยรักตัวนี้ช่เจการตัวนี้ใช่เราะฉนั้ น, นตัวราคะตัวโลคะเรามีสองหมวดหมวดของกิเลสู่ในสังขารฐานให้รู้เอยู่ในกองทุกข์ให้รู้เอาหมวดของปัญหาอยู่ในตัวสมุทยัยให้รักช่ เร่องราคาเรามีสองที่มี่เรงไม่ใช่ราคาทุกตัวต้องลาานะันนะเรื่มาอ้างตำรว่าว่าโลภะคือตัวตัณหาตัณหาให้ละเรื่อละโลภะทุกตัวจานปัญญาเข้าใจไหมเรเ่องจะใกล้เกิดทำไมรู้ให้โทษามโมหะนะให้รู้ทาไมโลภะให้ละเรื่องมีสองที่นี่ ปฏิบัติานเป็นโลภะที่มีกำลังถ้ารู้ได้ก็รู้ถึงควาวิชาเลยรู้ถึงโลภะเจตนาที่เกิดขึ้นัวโลภะเจตนาน่าะกูตัวพตที่มันไม่ใช่แล้วแต่สติจะระลึกไม่ใช่เรารารึกเองรู้ถูกต้อง รู้สึกไหมมันแข็งนิดๆเราห้ามมันไม่ได้รู้สึกไหมมันเป็นขอวมันเองแยเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะเป็นวันนึงเรารู้เลยคันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราหรอดีละที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเคยมาบ่อยนะนี้ก็ชกันคือิ่อย่างนี้นะัก็พอะสต ว่ดที่ที่มนมีความรู้จังก็มีควาเลื่อนแต่ว่าถนีดึที่เีแล้วีลวนะเวลาเราฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะไม่จาเป็นต้องจำด้วยซําไปแต่ว่าถึงวันหนึ่งเวลาที่เราจาเป็นต้องใช้ธรรมะอันนะี้นะธรรมะนี้จะขึ้นมาเองบางคนมีหน้าหลวงอประกอบด้วยนะ ทุกคนก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อมาบอกเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้ธรร ม, มะเราเรียนกันด้วยใจนะหลวงพ่อเวลาสอนธรร ม, มะหลวงพ่อไม่ได้เตรียมการสอนสเป็นเห็นไหมหลวงพ่อสอนธรร ม, มะออกมาจากใจจริงๆนะแล้วเราก็แอบสอบกันด้วยใจแต่ว่าพอเราเรียนไปเรียนไปเนี่ยถึงคราวขับขันจําเป็นธรรมะอนนันหนึ่งจะขึ้นมาหลวงพ่อบางคราวนะอยู่ไกลปูบาทจาันตอนนั้นเป็นข้าราชการจนนะ แล้ววันลาก็ไม่มีไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้บ่อยหรอกเวลาที่เราปฏิบัติแล้วมาเชิญปัญหาแก้ไม่ตกเนี่ยโอ้ทำไงอไม่ได้ทําอะไรนะตามรู้ตามดูนะคือจุดหนึ่งเนะบางทีเห็นหลวงปู่ดูลมาหาบ้างหลวงปู่เทศมาหามาบอกเราอะกรรมฐานอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้โอ้ใจนี้โล่งเลยนะแช่มชื่นไปตั้งเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยถ้าธรร ม, มนะนั้นมันดึงกันด้วยใจนะดีแล้ว อัพเวอร์40แปดเอ่อคือถึงแม้จะมีเรื่องที่ต้องาสูตอนี้เืองขนาดนี้ติดต้องมีสมาธิต้องการที่มีสมาธินี้การหาต้องพยายามตรงนี้ดีครับก็ยัดูบ้างยัมอง ก็ติดที่เดียวเลยเผลอไ้ชีวิตนั่งถึงเก่งไหมเราเผลอได้ไยมเผลอแวบแวบแวบดีแล้วยิ่งบ่อยอยิ่งดีนะแต่เดิมเนี่ยถ้าเราไม่เคยฝึกกรรมฐานเราเผลอว้ละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ตอนนี้เราจะเผลอบ่อยใจไหลวแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกตรงที่ใจไห ล, ลไปเราไม่ห้ามนะเพราะเขากำลังสอนธรรมะเรา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 มันจะวางข้างเดียวจะเอาอั น, นหนึ่งไปเกี่ยวอันนึ่งแต่เวลานักปฏิบัติเห็นยิงขึ้นมาเนี่ยวางทั้งหมดเลยวางสุกและทุก ว, วางดีและชั่ววางความหยากความละเอียด ว, วางภายในภายนอกวางที่ใกล้ที่ไกลวางเสมอกันไม่มีหยิบฉวยอะไรขึ้นมาเป็นภาระดีนะไปฝึกไปมาสองครั้งเรียนได้อย่างนี้ก็เก่งนะแต่มันเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นจริงจริงๆ มีค <univers> ีฬาหือมีการเล่นหรอมีาเยอะเหมือนหลองสามตรงนั้นเลยไม่จำเป็นนะคําถามทั้งหลายนะโยนกิ๊กไปชื่อหลวงพ่อเถอะอย่ามานั่งถามหลวงพ่อเสียเวลาแค่สงสัยรู้ว่าสงสัยใช้ได้แล้วเราไม่ได้ต้องการปัญญาอะไรมากมายเราต้องการแค่ให้เห็นว่าจิตจะสงสัยก็ห้ามมันไม่ได้หรือความสงสัยทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไป ทำทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปต้องการแค่นี้เองไม่ต้องการความรู้ความฉลาดอะไรเป็นเครื่องพะลุพลังนะหลวงพ้าตอนหัดภาวนาใหม่ๆมีอยู่ช่วงนะเกืเพี้ยนไ ป, ไปนี่ไป็ิตวิปัสสนาตัวหนึ่งคือดูไปดูไปเห็นจิตมันเกิดดับไปด้วยนะคืออยู่มันสว่างโพลุกขึ้นมาเวลาคิดถึงธร ร, รมะนะธรรมะหมวดหนึ่งโบมันไหลออกมานะธรรมะหมวดหนึ่งมีอะไรมีนิพพาน มีบรรยายด้วยนะซึมซับรู้อย่างพวกนี้มรรมะหมวดที่สองมีอะไรบ้างเช่นบีริวตปะสติรับปชัญญะ ร, รู้รู้รู้ออกมาแล้วตอนนั้นถ้าจดเอาไว้กนกลายเป็จะจนานุกลมพ <c oughs> อมันรู้ขึ้นมารีบจําไว้จวํา ไ, ไว้จำไว้พอถึงวันที่สองวันที่สามแล้วรู้สึกตัวเหมือนคนบ้าแล้วหนักชะมัดเลยเพราะเราแบกตู้ขึ้นไปกีดกไปด้วยไปไหนแล้วก็จําธรรมะเอาไว้เยอะแยะ นเราปฏิบัติเพื่อจะเอาเหรือไม่เกิดรู้ทันขึ้นมาตรงนี้นะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอานะโยนทิ้งเลยโง่โงโง่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรู้เหมือนล้วรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปรู้แค่นี้พอแล้วถ้าใจถึงถึงนะเชื่อหลวงพ่อเหอะเห็นแค่นี้พอแล้วส่วนความรู้ความเข้าใจอะไรที่เราจะไปคุยกับคนอื่นทีหลังนะ่ะมันเกิดเองอย่างเราคนนี้เขาจะคุยธรรมะกับเราก็คุยด้วย ภาษาสำนวนอย่างนี้เราก็ฟังรู้เรื่องนะก็คุยกับเขาได้วันนี้มาอีกสำนวนหนึ่งก็คุยกับเขาได้รู้เรื่องเหมือนกันมันเป็นเองนะแล้วตอนนี้รู้แค่ว่าอะไรเกิดอะไรนั้ดนดับรู้แค่นี้พอละไม่ต้องรู้เยอะคำถามทั้งหลายความสงสัยทั้งหลายนะกว้างทิ้งไปเกลกบมีแต่จะหลอกให้เราคิดให้นานๆกิเลสหลอกเอยี่สงเลยี่สิบแปดี้ก็ คือจะด็กๆเลยนะางทียิงสิบตัวหาแ้วรงไ้เด็กๆก็จ้องไห้คนแรกที่ร้องไห้ือใรถึงจะเลื่อนตัีน่ไปจะออย่าไปนั่งนะเดี๋ยวนั่งร้องไห้ตอนนี้นั่งอยู่ดิเดี๋ยวตอนนี้กลังนั่งดิ่ะไม่นั่งเหรอยืนอยู่หรอตอนนี้ แม้ตอนนี้นั่งอยู่าการปฏิบัติทำนี่นะไม่ใช่นั่งแล้วก็น้อมใจเข้าไปให้สืมๆเราร้องไห้ออกมานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไอ้ตัวนี้มันนั่งอยู่รู้สึกไหมไอ้ตัวนี้กําลังทําปากจู๋ๆรู้สึกไอมนะตัวนี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ ย, ยดูไปเรื่อยๆจนเห็นว่าไอ้ตัวที่กำลังนั่งอยู่เนี่ไม่ใช่ตัวเราหราเป็นสิ่งที่ใจเราเป็นรู้เข้ารู้สึกไหมไอ้ตัวนี้มันยืดขึ้นมามันเมื่อยยืด ดูร่างกายนี้ไปนะดูร่างกายนี้ไปคุนี้ยท่านเก็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันขยับไปเยอเนี้ป็นเสลื่อนไหวสึกไหมมันกระดุกกดิกได้มันไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้นะมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนคอยดูไปเรื่อยเรยเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจเราเป็นแค่คนดูเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่คนดูแล้วเป็นคนหนีปไปคิดนึ้ออกไหมใจ แ, แอ่ไปคิดแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมจะให้รู้ทันอย่างนี้นะ เดี๋ย ใ, ใจรจะตื่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นแค่คนดูกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยนะเรื่องง่ายมากธรรมฐานแต่ว่าจะง่ายแนละ้วยากหมดแล้วนะลงลุกลุกค ล, ลานต่างตายนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็ไม่สอนมากเขาสอนคำสองคำทํากันตั้งสิบปียี่สิบปีใจลอยแล้วรู้สึกไมนี่เป็นหนึ่งแวบแบบ อ, อย่างนี้นะใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วรู้ เวลานั่งอยู่นี่ไอตัวนี้มันนั่งใจเราเป็นคนดูเวลาเดินไอตัวนี้มันเดินใจเราเป็นคนดูแต่ตอนเนี้ยไปบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมไม่บังคับตัวเองสิ่งที่ผิดมีสองงานนะเผลอไปกับบังคับตัวเองยึ่งเอาไว้ปกครองไว้กําเนดไว้ควบคุมไว้อันนี้ใช้ไม่ได้ธรรมดาที่สุดดีที่สุดคุณธรรดามีอะไรอยู่ไหมลับไปมองคุณมา อ่านะมันเยอะไปไม่ดีเออไม่ต้องคิดอะไรนะแต่ถ้าใจว่างๆรู้ว่าว่างนะคือเราไม่ได้เอาสุดส่งสองข้างข้างหนึ่งนิ่งว่างไม่มีอะไรเลยสบายอย่างเดียวข้างหนึ่งคลิ้วคว้าหมุนทิ้ ว, วๆเราไม่ได้เอาสองงานนี้หรอกแต่เราเอาตามที่เห็นทเท่าที่เป็น ตรงที่จิตมันค้นกว้าเราก็เห็นเลยเออจิตมันค้นกว้าของมันเองแต่เราเป็นแค่คนดูนะจิตมันค้นกว้าของมันเองเวลามันนิ่งก็เห็นไหมจิตมันนิ่งของมันเองเราไม่ได้ทำอะไรมันเราคอยดูไปนิ่งก็ไม่คงที่นะหรือเราน้อมใจให้ไปแปะกับความว่างอย่าน้อมใจเข้าไปเราก็รู้ทันว่าเราน้อมเข้าไปนเตที่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 พอใจมันมีความอยากใจมันดิ้นรนใจม่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ดิ้นรนทํางานไปเรื่อยๆใจมันดิ้นรนทํางานไปนะมันจะรู้สึกมีความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความทุกข์ ม, มันจะหนักขึ้นมาในใจนะใจมันจะเกิดน้ําหนักขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้ก่อนส่วนปฏิจจสมบททัตนนิขั้มต้นที่ยากที่สุดเลยคนที่แจ้งตัวนี้ต้องเป็นพระรัมบันไดที่แจ้งวันนั้นจะเป็นพระรัม เพราฉนั้นเราเรียนปฏิจจสุภาษเราจะรู้แบบรู ป, รปๆต่ำๆมันจะขาดเป็นท่อนๆนะเรารู้ว่าอาวิชามีแปดอย่างสังขารมีสามอย่างเราจะรู้อย่างนี้แต่เราไม่เห็นกระบวนการแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าอาวิชาจริงๆเป็นยังไงทำไมอวิชามีตั้งหลายตัวอวิชามันจริงๆนั่นน่ะตัวไม่รู้ทุกนะมันไม่รู้ทุกกระบวนการทุกล่างเลยมันแจ้งนิโรธเลยลเข้าใจอริยสัจสีในฉับพลันนั้นเลย ไม่สงสัยในปัจจุบันไม่สงสัยอดีตอนาคตอดีกเลยความปรุงแต่งคือสังขารนี่จะดับทันทีเลยเอานิดเดียวตัวนี้จะทำให้รูตั้งการใช้ควรนะใช้กวรนิดเดียวนะอยากให้ควรเยอะเราจะใช้ควรเฉพาะตอนที่จิตไปติดเฉย เวลาที่จิตจะติดเฉย น, นี่ไม่ยอมจเจริญปัญญาเนี่ยเรามาใคล้ควรนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นให้จิตเคลื่อนไหวแต่ถ้าใกล้ควรมากจิจะฟุ้งฟาดตัวนี้จะกลายเป็นจินตามายะปัญญาไม่ใช่ภาวนาหมยะปัญญาความรู้ที่เกิดเลยใช้ไม่ได้หละเมื่อก่อนนี้คุณพระดามจะติดเฉยเฉยเฉยนี้เราเห็นไม่เฉยนานไรล้วก็มาช่วยเป็นคิดนิดหนึ่งอันนี้คิดเยอะใไป ที่เดียไปมันกลายเป็นถลำก็ไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของปัญญาแล้วมันเกิดสนุกสนานรู้สึกไหมตื่นเตินนะโอ้ย น, นี่ก็รู้ น, นี่ก็รู้รู้ไปเยอะแยะเลยไม่รู้อันเดียวจิตของเราขนาด น, นี้ยึงตั้งอยู่ใช้ได้แล้วจิตแล้วคลายออกแล้วจิตมันเย็นเมื่อกี้หลวงพ่อต้องให้พูดอีกรอบหนึ่งวจิตมันยังค้า ง, า ง, งอยู่ยังค้างคามไม่แล้วใจ เอออย่างนี้สิผมก็ไปหายปวห่งนกผแปงหลังด้วยท่อ้งหลังกุ้มใจอย่างกุสิบโมแล้วผูก็กุมใจบ้างลสอนได้ไปหมดสักวันนได้สองคนแล้วเออท่านไดาห่มาบาทรม่เป็นอะไรนะนเดินทที่ตุ่ิดวเองลังนี่อยากจะเดินเพราะว่าอยากจะให้รู้ใจวเราตุ่นติดตวทุกคทุก ่ดได้ม่ได้แ่ที่เขาไม่สามารจะแต่านกับนักบุเหมือนกันไม่จำเป็นนะธรรมะไม่ใช่อยู่ที่พระนะคาว่าพระแท้ๆฆราวาสก็เป็นได้ถ้าใจเขาเ้าถึงธรรมหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่เป็นฆราวาสนะสมัยปฏิบัติเป็นฆราวาสเนี่ยเวลาไปรายงานผลการปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเรียการะมานั่งฟังด้วยนั้นในธรรมะที่แท้จริงแล้วไม่มีฆราวาสหรือมีพะหรอก ไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายหรอกนะไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่นะหันมาเป็นของกลางๆไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนั้นทุกวันเนี่เราให้เราหัดดูจิตดูใจของเราไปอย่างน้อยที่สุดเราสามารถอยู่กับโลคแบบทุกน้อยๆเรียกผลประโยชน์อันแรกที่เห็นนะอย่างเคยทําอะไรที่ไม่ดีรุนแรงโกรธโมโหรุนแรงตรึงปังไปสติมันเร็วขึ้นเลยความรุนแรงมันลดลงใจเคยแต่วิ่งซ่านๆ น, น, นอยากโน่นอยากนี่ทั้งวัน มันรู้ทันความอยากของเรานะไม่ช้อปปิ้งมากอย่างแต่ก่อนช้อปปิ้งมากรูดบัตรเครดิตมากหนี้สินมากนี่อาระเราอย่างน้อยเราก็อยู่กับโลกอย่างมีความสุขเคมีผู้ชายคนหนึ่งนะพาภรรยามาเรียนตลาดมากเลยพาเมียมาเรียนกรรมธารมวันหนึ่งลูกไม่สบายลูกจะเป็นหรือจะตายอย่างไม่แน่นะหัวเมียไปยืนกเกาะเตียงที่โรงพยาบาลร้องไห้ มองลูกแล้วร้องไห่ลูกจะตายหรือเปล่าเขาไม่รู้ฉับพลันเนี่ยธรมะมาช่วยเมียนะเกิดสติขึ้นก่อนกําลังร้องร้องหันไปดูลูกที่อยู่บนเตียงเอ้ยนี่มันวัดถูกนี่มันก้อนธาตุหนึ่งให้คำว่าลูกเราเนี่ยเราบัญญัติขึ้นมาเองนี่มันเป็นแค่วัดผูกเท่านั้นเองทันทีที่เห็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยความเศร้าโศงนี่ขาดสะบั้นต่อหน้าตานเลหันมาดูตัวเองนะตัวเองก็เป็นก้อนธาตุอีกคล้ว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 ใช่มันเป็นคนที่รู้ทานความรู้สึกนะไม่ใช่คนไม่มีความรู้สึกนะเป็นคนที่รู้ทางความรู้สึกแค่เราจะอยู่กับโลกยังมีความสุขด้วยรปให้รู้สึกเไม่ต้องดรความสุขแน่เยังอไม่ปลกเราแปลกจากมาตรฐานของคนอื่นแต่เวลาเขาแสดงความเสียใจเราก็ปีหน้าเสียใจไปหน่อยนะ เรียกว่าเราไม่ทะเลาะกับโลกแต่เราไม่หลงโลกลนะครับพระเจ้าสอนหน้าบอกว่าที่สุดทั้งหลายจงดูโลกเป็นวิจิตรงดงามเนี่ยเหมือนราชรถทรงของพระราชาที่คนโง่เขลวพากันติดอยู่แต่คนที่เป็นผู้รู้ไม่ติดหรอกแต่เราอยู่กับมันได้ไม่เบียดมันนะถ้าเราภาวนาแล้วเราอยู่กับโลกไม่ได้ร้อนเป็นืนเป็นไฟแสดงว่าภาวนาไม่เป็น ถ้าภาวนาแล้วอยู่กับโลกได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่เห็นโลกนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟโลกนี้พลุกพลัอนอย่างไม้ดีแต่ความร้อนนั้นเข้าไม่ถึงตัวเราไม่ถึงจิตถึงใจใจมีความสุขมีความสงบอยู่ท่ามกลางความเลวร้อนของโลกท่านพุทธทาสท่านเทียบแบบเหมือนลิ้น ง, งูอยู่ในปากงูลิ้น ง, งูเลยไม่ถุกงูกัดตายอยู่กับโลกแต่ไม่พุกนะ การนั่อสว่งสวดนั่งสวนั่งสวดนั่งสวดนั่งสวดนั่งสาดั่งสวดนม่ง็วดนั่งวดนั่งสรดนั่งสวดนั่งสนั่มสวดนั่งสวดนั่งสวดนั่งสวดนั่งสวดนั่งสวดนั่งสวดมั่งสวดนั่งสวเนั่งสวดนั่มเวดนั่งสวดนั่งเวดนั่งสวนัวนั่งสวดนัวดนั่งสวด่ไวด้เ่ยสวดนั่งสวดนั่งสวดนั่ สิ่งนี้เป็นแค่วัดถุข้าต์เป็นเครื่องอาศัยเป็นสิ่งเดียวกันคนอื่นสัตว์อื่นนั่นเองมันจะรักตัวนี้เสมอับรักตัวนี้หรือจะเสมอไม่แบ่งเขาแบ่งเราจิตใจเนี่ยไม่เพียงแต่จะไม่เห็นแตตัวนะจิตใจจะเต็มไปด้วยความเมตตากะลุนนะ้มันจะรู้สึกสงสารรู้สึกเห็นอกเห็นใจแต่ก่อนเราก็ลำบากยากเข็นอย่างนี้แหละเพราะเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอก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 คนรอบๆตัวเราในตอนนี้มีความสุขไดี้วื่อแล้วอ่ไร่ด้วยแจามต้องก่ยวยใคามยากช่ว่อไม่เปลี่ยนไม่เปนถ้าอยากช่วยแล้วไม่รู้ว่าอยากช่วยแล้วมีกิเลสพอช่วยไม่ได้แล้วเศร้าหมองเพราะเราใจมันโง่สารก็มีความการุณาเกิดซึ่งกรุณาเป็นภูษณ น, นะ อยากให้เขาคปนทุกมีความการุณาเกิดขึ้นแต่คนทั่วไปแลนวะพอกรุณาแค่เดียวจะเปลี่ยนเป็นโกระเช mm hmm. ่นคนนี้นะเราเตือนวนะ่าอย่าไปคบเขาเลยคนนี้ก็จะมาหลอกลวงเธอนะพอไม่เชื่อเราเราจะโกรธเขานะมันพลิกเป็นอคติผลนแล้วาฉนั้นต้องแยกให้ออกนะว่าธรรมะใดเป็นกุศลธรรมะใดเป็นอคติผลคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเช่นขันติแต่หน้าด้านไม่เหมือนกัน mm hmm. ถูกเขาดา่า ไม่โกรธคนหนึ่งไม่โกรธเพราะมีขันติอเพื่เอเหนดูเขาก็อีกโอ้เข้าจิตใจเขาเล่าร้อนเขาตาเราเขาตาแล้วคงมีความสุขไม่โกรธมีขันติอีกคนหนึ่งหน้าด้านดา่าอะไรใช้เขเฉยไช้เขาโง่ไปเรื่อยๆไม่เหมือนกันนะดังนั้นกรูสนกับครูสอนนะออกมาแล้วบางทีทําอย่างเดียวกันนะ แต่ว่ามันไม่ใช่ข้างในต้องดงูเพอสติตัวจริงเกิดเช่นเราสงสารเขาเพราะเรามีสตินะอกติส่นจะดับไปเกิดความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นามาตอนนี้เป็นหน้าที่ของอคติส่วนจะทำงานนะโอคนนี้น่าเห็นใจควรจะช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือเราจะช่วยด้วยความมีสติปัญญาช่วยเขาเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสร้างปัญหาระยะยาวให้เขาหรือเปล่ายกตัวอย่างนะ เช่เราเห็นเด็กขายพวงมะลัยอยู่บนถนนเราเกิดกรุณาให้สตังหรือพวกนักท่องเที่ยวเข้าไปเขาใหญ่หรือไปตามป่าอะไรเงี้ย <c oughs> เห็นลิงนะเอาอาหารให้นี่ใจบุญใจบุญทําให้ลิงเนี้เสียสัญชาติแต่ยานหากินเองไม่เป็นตอนหลังมันเลยยกพวกเข้าป้นนักท่องเที่ยวเ <c oughs> พราะั้นต้องต้องมีสติปัญญานะในการช่วยเหลือช่วยอะไรแล้วเกิดประโยชน์จริงจริ ก็ไปช่วยช่วยแล้วสบายใจแต่ว่าไม่ได้เป็นคนดีกับเขาเลยนะก็ อ, อย่าไปทไําเลยนั่นทําก็ช่วยตัวเองให้สบายใจไม่ไห้ช่วยเขาแล้วช่วยตัวเองดัง้นต้องมีสติปัญญานะเพื่อจะอยู่กับโลกการที่เราไปดูจิต ด, ดูใจเรานี้ไหนเราจะได้มีสติปัญญารู้ว่านี่เราทําอันนี้เพราะอะไรก็ระอะไรทําเพราะตัวเองหรือเปล่าอ่ะพอสมควรนะคนนี้เยวพี่หรืออาวเพลย์อีหนึ่งครับ อ้าวหลออีกสองเหรอับะอย่ีร่หน้าที่เป็รร น, นที่สเี่ยนะใช้เลยที่จมันติดใกแ่ปี่น็าที่ีมันติความนิ่งนะเพราะฉะนั้นพยายามมาอยู่ในชีวิตปรอจำวันให้เยอะๆจิตของคุณมันติดสมถะ เพราเวลามาอยู่กับโลกข้างนอกมันจะทื่อๆนิ่งๆรู้สึกไหมมัน mm hmm. นิ่งเกินจริงเพราะฉั้นต้องเลิกซะก่อนที่ทําอยู่มาหัดรู้สึกเลยในชีวิตประจําวันเยอะๆมาใช้ชีวิตทุกบตีกับชาวโลกนี้แหละแล้วกิเลสเราจะได้เกิดอย่ากลัวกิเลส น, นะกล mm hmm. ัวกิเลสมากไปก็เลยเป็นนิ่งๆไว้ข้างในห น, นีเข้าบ้านปิดประตูอยู่อย่างเดียวเยนะี mm ่ย hmm. ตอนเนี้กําลังสงสัยทราบไหม จะต้องรู้ลงปัจจุบันไป็นเรื่อยๆแต่ว่าอย่าไปเคร่งใจให้นิ่งเพราะงั้นเวลาเราจะรู้จิตรู้ใจอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกมันเกิดสักก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้เอาให้กิเลสเกิดสักก่อนแล้วก็ค่อยไปรู้เอาอย่าไปจ้องไว้ก่อนอบางคนจะไปจ้องไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกไปติดการจ้องไว้ก่อนอเห็นไหมกอนยื่ยนไมโครโฟนลือตัวเอง นะลืมตัวเองไปเผลอไปนิดเดียวนิดหน่อยตอนนี้เผลอไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เพ่งตอนนี้สงสัยทราบัหมอย่าท้อแท้ใจนะเราไปกักมันแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ควรเป็นนะมันเป็นตามที่สมควรแล้วมันเป็นไปนตามเหตุ เอ็ดก็คือเราไปจงใจบังคับมันไว้นิดนึงก็เลยเป็นอย่างนี so ้สว่างนะรู้สึกไหมจิตใจสว่างนะแต่ว่ามังโล่งๆโล่งๆว่างๆสว่างแต่อันนี้เราทำขึ้นมาเรายังจงใจอ่แอบไปคิดแล้วทราบไหมไม่เป็นไรนะให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อย่าไปค้างคายอยู่ในสภาวะอันนี้ครับอย่าแอปคิดแล้วทราบไห ม, ไมอะไรนะเ อ, อ้ยไม่ต้องนั่งสิเดินเอาเดินตรงกรงมาเดินเล่นๆนะเดินดูร่างกายมันเดินเหมือนเราดูคนอื่นเดินอนะ่ะอย่าท้าใจนะทำไมมันยากเก็นนักหนาหรือไมยต้องคุณคิดอยู่ตลอดเลยว่าทำยังไงถึงจะถูก คุณยังไม่ยอมเลิกทำเลาวก่อนไปทำว่างๆไว้หรือทำอะไรครอดๆแข็งๆไว้สมมติอนนี้เอ๊ะมันแข็งไปทำให้มันโล่งๆมันไปทำให้โล่งๆอีกมันทำอ่ะมันไม่ใช่รู้อย่างที่มันเป็นนะคือตราบใดที่ยังทำอยู่นะ